รรมบทแปลเรื่องที่169ภาคที่6เรื่องอนิธิคันทกุมานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรรบารออนิธิคันทกุมานตรัสพระธรรมเทศนานิวากามโตชายติโสโกกามโตชายติพะยัง กามาโตวิปปะมุตตสระนัติโซโกโกุโตพะยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามไพยย่อมเกิดแต่กามความโศกย่อมไม่มีแกบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามไพจะมีแต่ที่ไหนตอนอนิสติขันตกมนุมัน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 ด้วยเสร์อผ้าแล้วจึงให้ดื่มนมกุมา น, นั้นเจริญไหวแล้วเมื่อมารดาบิดากล่าวว่าพ่อเราจะทำอาวาหะมงคลแก่เจ้าก็ห้ามว่าฉันไม่มีความต้องการด้วยผู้หญิงแต่เมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าจึงให้เรียกช่างทองมาแล้วห้าร้อยคนให้ทองคำที่มีสีสุก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 แล้วนำนางกุมาริกาผู้มีรูปเช่นนี้มาดังนี้แล้วทรงพรามเหล่านั้นไปพรามเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วเที่ยวจาริไปถึงสาคละนครในแคว้นชื่อมัทะตอนพรามพบหญิงมีรูปดุดรูปลอแล้วกลับมาก็ในนครนั้น ได้มีกุมาริกาคนหนึ่งมีรูปสวยมีอายุรุ่นราวสิกปีมานดาบิดาให้นางอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งประสาทเจ็ดชั้นปราแม้เหล่านั้นคิดกันว่ า, วากา็ถ้าไหนนครนี้จะมีกุมาริกาเห็นปานนี้ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคานี้แล้ ว, วก็จะกล่าวว่า รูปจำลองนี้สวยเหมือนที่ดาของตะกูลโนนแต่นี้แล้วพระรามเหล่านั้นจึงตั้งรูปทองคมนั้นไว้ริมทางไปสู่ท่าน้ำนั่งคอยเฝ้านะที่ควนข้างหนึ่งลำดัแบบนั้นหญิงแม่นมของกุมาริกานั้นให้กุมาริกานั้นอาบน้ำแล้วใครจะอาบเองบ้างจึงไปสู่ท่าน้ำ เห็นรูปนั้นสําคัญว่าธิดาของเราจึงกล่าวว่าโอ้ oh, แม่หัวดือ้อเราให้เจ้าอาบน้ําแล้วออกมาเมื่อกี้นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนเรานังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีการเคลื่อนไหวจึงกล่าวว่าเราได้ทําความเข้าใจว่านางนี้เป็นธิดาของเรา นี่อะไรกันก็ในลำดับนั้นพรามเหล่านั้นถามหญิงแม่นมนั้นว่าแม่ทิดาของท่านมีรูปเห็นปานนี้หรอกหรือหญิงแม่หนมรูปนี้จะมีค่าอะไรในสำนักทิดาของเราพวกปราหมถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงทิดาของท่านแก่พวกเราหญิงแม่หนมนั้นไปสู่เรือน พร้อมด้วยปรามทั้งหลายนั้นแล้วก็บอกแก่นายคือเจ้าบ้านนายทําความชื่นชมกับพวกปรามณ์แล้วให้ธิดาลงมายืนอยู่ในที่ใกล้รูปทองคำนั้นะประสาทชั้นล่างรูปทองคําได้เป็นรูปหมดรัศมีแล้วพวกพราหมณ์จึงให้รูปทองคํานั้นแก่นายนั้นแล้วมอบหมายกุมาริกาไว้แล้วไปบอกแก่มารดาบิดา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 ในระหว่างต่างนั้นเองเพราะความที่นางเป็นผู้รียด อ, อนยิ่งนักแม้กุมารก็ถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือชนทั้งหลายไม่บอกแก่กุมาร น, นั้นซึ่งถามอยู่ด้วยความเสียหายอย่างยิ่งโดยพลันทีเดียวแต่ทำการอําพลางเสีย2ถึงสวันแล้วจึงบอกเรื่องนั้นกุมารนั้นเกิดโทมมัส ขึ้นว่าเราไม่ได้สมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานนั้นเสียแล้วได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกประนึ่งบุเขาท่วมทับแล้วตอนพระศาสดาทรงแสดงอุบายระงับความโศกพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมานั้นเมื่อเสด็จไปบินาบาบจึงได้เสด็จไปยังประตูรเรือนนั้น ลำดับนั้นมารดาบิดาของกุมาร น, นั้นอัญเชิญพระศัสดาเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้วอังคาดคือการถวายพระอาหารต่างๆโดยเคารพในเวลาเสร็จพัตกิจพระศัสดาตรตาม่าก็อนิจติคันธกุมารไปไหนมารดาบิดาตอบว่าข้าแต่งพงผู้เจริญอนิจติคันธกุมาร น, นั่นอดาหารนอนอยู่ในห้อง พระศาสดาถ้าอย่างนั้นจงเรียกเธอมาอา น, นิตริกันตกุมาร น, นั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งนะส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระศาสดาตรัสตามว่ากุมารความโศกมีกําลังเกิดขึ้นแล้วแก่เธออย่างนั้นหรือขแต่รพระองค์ผู้เจริญเป็นอย่างนั้นพระชจ้าความโศกมีกําลังเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์ เพราะได้ยินว่าหญิงชื่อเห็นปานนี้ทากาละคือตายในระหว่างทางเสียแล้วแม้พัดข้าพระองค์ก็ไม่หิวลำแบบนั้นพระศาสด า, า, าจึงตรัสกับล่าว่ากุมารก็เธอรู้ไหมว่าความโศกเกิดแก่เธอพระอาศัยอะไรข้าพระองค์ไม่ทราบพระชก้ากุมาร ความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยกรรมความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่ากามโตชาติติโสโกการมาโตชาติติปัญญ์กามาโตวิปปามุตตะสะนติโสโก กุโตประยังความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามผู้ผลวิเศษแล้วจากกามความโศกย่อมไม่มีภัยจะมีแต่ที่ไหนคนธรรดาคาเหล่านั้นคาว่ากามโตคือแต่กามหมายความว่ า, วาจากวัตถุกามและกิเลสกามอธิบายว่า ความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมอาศัยกามแม้ทั้งสองอย่างนั่นเกิดในการจบเทสนาอณิธิคันตะ ก, กุมานตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิพลดังนี้แหละเรื่องอณิธิคันตะ ก, กุมาน